ขอนอบน้อมตะคุณพระตนะไตรโอกาสเพื่อนสัตรมิคุท่านจเจริญทาแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆเนอะรู้สึกตัวไปเราศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนมากมายนะถึงแปดหมื่สี่พันธรมรมขันซึ่งก็แสดงว่ามีมากเนอะแต่เราถ้ายากแยกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> เราก็จะเสียเวลาแน้วเราก็จับประเด็นไม่ถูก พระธรรจริงๆแล้วที่พุทธเจ้าแสดงนั้นสามารถแยกยๆได้เป็นประเด็นใหญ่ๆเพียงสองอย่างเท่านั้นก็คือประการแรกให้รู้จักความทุกข์ประการที่สองให้ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นเนาะอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญที่เราจะต้องอ่าเข้าใจแล้วก็จับประเด็นให้ถูกนะก็คือประการแรกเรารู้จักความทุกข์ไหมเนาะ <c oughs> ความทุกข์นี่ก็แบ่งเป็นความทุกข์กายและความทุกข์ใจเนาะ อย่างที่เราได้ทำวัดเช้าไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์การพัดภาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นปัะวุบุกเนาะก็คือความทุกข์กายแล้วก็เช่นตอนนี้เรามีความปวดเมื่อยไหมนี่ก็เป็นความทุกอย่างหนึ่งที่เรานั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วอากาศนะอาจจะหนาวๆร้อนๆเนาะตรงนี้ก็เป็นความทุกข์บางท่านก็รู้สึกง่วงนอนนี่ก็เป็นความทุกข์นะบางท่านก็รู้สึกหิวหิวนี้ก็เป็นความทุกข์ อันนี้ก็คือสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันนะเพราะว่าเคย <c oughs> บอกว่า <c oughs> แนะนํำคนว่ามาปฏิบัติธรรมเถิดเขาถามว่าปฏิบัติไปทําไมบอกว่าปฏิบัติแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะเนาะเพราว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เห็นความทุกข์แต่จริงๆมันก็ปรากฏอย่างที่บอกในแหละ ว, ว่าจริงๆปฏิบัตินี้มันก็มีทุกข์ปรากฏอยู่แล้ว <c oughs> เพียงแต่เราเห็นเขาไหมใช่ไหม ความทุกข์ในทางกายเนี่ยเขาเราไม่สามารถที่จะทําให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงเนาะเพราะมันจะต้องแก้ต้องไขยอยู่เรื่อยๆอ่าเป็นการบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองอ่านะเช่นเราปวดเมื่อยเราไปเดินสักพักนึ่ง <c oughs> ก็ต้องปวดเมื่อยใหม่ก็ต้องกลับมานั่งมานอนเนาะอ่าเราหิวไปทานอาหารอ่าก็ต้องกลับมาทานใหม่เพราะมันต้องย่อยหมดไปอ่านะเราง่วงเราไปนอนนะ เราก็ต้องกลับมานอนใหม่เพราะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะมันจะตื่นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกประจําสังขารในเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วนะตราบใดที่เรามีขันเราก็ต้องบํารุงรักษาดูแลเขาไป mm. เมื่อเราไม่บํารุงรักษาเขาก็ต้องเสื่อมไปนะเขามีเวทนาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะนั้นความทุกข์ในทางกายเนี่ยเราไม่อาจที่จะทําให้หมด <c oughs> ไปอย่างสิ้นเชิงได้เลย ส่วนความทุกข์ในทางใจนะอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกมาแล้วว่าออประสบสิ่งไม่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งได้ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก็คือความปรารถนาในทางใจนะีไม่มีตันหาอยู่นะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยตรงนี้คือประเด็นสําคัญเมื่อเราไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็จะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะแต่ความทุกข์ในทางใจเนี่ยเป็นเหตุอันตรายร้ายแรงที่ทําให้คนเบี่าตัวใต้ได้มากมายนะ ก็คือคนที่ <c oughs> มียันจะกินทั้งหลายนี่แหละมีฐานะดีเนี่ยพวกนี้จะฆ่าตัวตายกันมากมายส่วนประเภทที่นอนใต้สะพานบ้างนอนตามริมถนนบ้างตามทางรถไปบ้างพวกนี้ไม่ค่อยฆ่าตัวตายกันนะเพราะว่าคนที่มีฐานะดีเนี่ยจะทนสภาวะที่มันบีบคั้นไม่ไหวทนเวทนาไม่ไหวรู้สึกไม่มีทางออกจากอะไรจากความคิดนั่นเองนะเพราะว่าเขาในทางโลกเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วทรัพย์สินเงินทอง แต่ว่าออกจากความทุกข์ในจิตใจในความคิดไม่ได้นะเพราะนั้นเมื่อทนไม่ได้ก็ไปฆ่าตัวตายกันนะความผิดหวังต่างๆเนาะให้ความความทุกข์ในทางใจเนี่ยเป็นความร้ายแรงที่คนไปฆ่าตัวตายได้แต่ว่ากลับสามารถที่จะทำให้ดับนะทำให้หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาดได้อย่างเช่นพระรหันพระรหันีนน่ท่านมีความทุกข์ในทางกายเท่านั้นแต่ความทุกข์ในทางใจนั้นท่านดับไปแล้วเนาะ เพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เรามาปฏิบัติธรรมต่างๆในครั้งนี้นะก็เพื่อที่จะดับความทุกข์ในทางใจเท่านั้นนะเราไม่ได้ไปแก้ความทุกข์ทางกายแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ในทางใจเพราะว่าจริงๆแล้วนะกินเลสมันเกิดที่ไหนก็เกิดในใจเรานี่แหละเนาะตัณหาเกิดที่ไหนเกิดในใจเราความโลภความโกรธความหลงก็ล้วนแต่เกิดในใจเราทั้งหมดแล้วถ้าเราไปดับที่อื่นแล้วมันจะดับถูกทางไหมนะ ในเมื่อเราไม่ไม่ดับที่ต้นเหตุที่สาเหตุที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแท้จริงเราคราวนี้การที่เราจะดับทุกข์นั้นนะมันเป็นประเด็นที่สําคัญว่าเราจะทําอย่างไรเนาะอันนี้ก็ต้องย้าตรองนิดอีกนิดหนึงว่าถ้าตากใดที่เรายังมีกิเลสอยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนกับพืชที่มีเามาเล็ดพันธุ์ที่สามารถที่จะมีเชื้อเมื่อลงไปในพื้นดินก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใดจิตที่ยังมีกิเลสอยู่แม้เพียงเล็กน้อย ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อาตาบนั้นนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นการที่เราดับทุกข์นี่หมายความว่าเราดับจิเลสในใจเราเพื่อให้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่นะไม่ใช่แค่ดับทุกข์ในชาติไปบัณฑ์เท่านั้นนะคราวนี้พระเจ้าก็ได้บอกบอกคนทางไว้ว่านะอย่างที่เมื่อกี้เราสวดไปแล้วในสติปัฏฐาน4นะี่นะก็มีอ่าให้เรารู้จักอ่านะในประเด็นสี่ทางก็คือกายนะเวทนาจิตและธรรมเนอะ ขานี้นะ่ะการเริ่มต้นจริงๆแล้วมันประตูไหนก็ได้นะกายอย่างเดียวก็ได้เวทนาอย่างเดียวก็ได้จิตอย่างเดียวก็ได้น่ะธรรมอย่างเดียวก็ได้เป็นหนทางแห่งความพ้นรู้ได้ทั้งหมดแต่ขานี้ก็มีสิ่งที่ง่ายๆที่ว่าบุญเจ้าก็เริ่มต้นด้วยกายานุปัสนาสติปฐานก็คือให้กลับมารู้จักตัวเราเองเท่านั้นเองในขณะปัจจุบันเนี่ยว่ากําลังทำอะไรอยู่เนาะปัจจุบันนี้เราตามรู้กายตามรู้ใจในปัจจุบันนี้แหละเนาะ ก็เริ่มต้นอ่าจริงๆมันจะมีอย่างอื่นนะอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าจะต้องตัดไปแม้กระจะเสียเวลาเช่นอาณาปนาสติบ้างหรืออ่าธาตุสี่ต่างๆอีกเยอะแยะนั่นในสติปัฏฐานสี่นี่แหละอ่ะาครั้นี้ทํามาเริ่มโดยกายเนี่ยก็จะเริ่มด้วยอาณาปนานสติก่อนนะแต่ว่าครั้นี้เรามาเริ่มที่ตรงที่เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมกันนะ้อก็คืออ่า ยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนเนาะอันนี้ก็คืออิริบทใหญ่ทั้ง4ี่นะยืนเดินนั่งนอนยืนก็ให้รู้ชัดว่าเรายืนเดินก็ให้รู้ชัดว่าเราเดินนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งนอนก็ให้รู้ชัดว่าเรานอนเนาะคำนี้คำว่ารู้ชัดในบางคนก็เลยไปไปเพ่งไว้ก็มีนะก็รู้จะชัดเดินก็รู้ชัดชัดไปเลยนั้นเป็นการไปเพ่งไว้แต่คำว่ารู้ชัดก็หมายความว่าให้เรารู้ในขณะนั้น ออย่างตามความเป็นจริงแล้วต่อนเนื่องแนละไม่ได้ไปเพ่งเอาไว้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องเข้าใจคำบรรลุชัดไว้ด้วยเนาะ <c oughs> ครันเนี้ยสิ่งเหล่านี้คือกลับมารู้ในขณะปัจจุบันนี้เท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาอยู่ในอิบทใดหอิบ ท, อบทหนึ่งอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะเราไม่นั่งก็ต้งอตงยินก็ต้องยืนไม่ยืนก็ต้องเดินไม่เดินก็ต้องนอนเนี่ยเราต้องมีอิบทใดอิบทหนึ่งในสี่ออิบทนี้ เพียงแต่เรากลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองนะก็มีพราหมณ์เคยถามพุทธเจ้าว่าท่านมีท่านข้ามโอคะได้อย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนนะพราม์ก็หัวเราะเยาะบอกว่าชาวบ้านเขาก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกไม่เหมือนกันเรายืนก็รู้ว่าเรายืนเราเดินก็รู้ว่าเราเดินเรานั่งก็รู้ว่าเรานั่งเรานอนก็รู้ว่าเรานอนนะ พรามก็เลยยอมรับนะเพราะว่าชาวบ้านจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เราว่ากําลังทําอะไรอยู่ใช <c oughs> ่ไหมครั้นี้ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ให้เรากลับมารู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรในบทสี่เท่านั้นเองนะ <c oughs> ตอนนี้เรานั่งเรารู้ไหมว่าเรานั่งใช่ไหมถ้าเรารู้เรานั่งอันนี้ที่เราปฏิบัติธรรมจบแล้วนะมันจบแล้วเนี่ยเรานั่งรู้เรานั่งเนี่ยปฏิบัติธรรมจบแล้วนะบางคนจะยกมือใต้ ย, ยังหวะพลิกมือไปพลิกมือมารู้ไหมว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่ใช่ไหม หรือได้ยินเสียงรู้ไม่ว่าขณะกาลังได้ยินเสียงปวดเมื่อยรู้ไหมว่ากำลังปวดเมื่อยหิวรู้ไม่ว่ากำลังหิวนี่แหละก็คือการกลับมารู้ในปัจจุบันเนาะเพราะนั้นมันก็ยังมาตรงกับที่พระเจ้าได้ได้พูดไว้ในต่อมาในอริบทบัพภะก็คือเลี้ยวเหลี้ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังดื่มกินพูดคิดคู่แขนเหยียดแขน ทรงจีวรสังฆาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจระปัสสวะก้มเงยนะต่างๆเหล่านี้ก็คือให้รู้ในบทย่อยต่างๆเนาะรู้ในขณะเนี้ยกำลังทำอะไรอยู่จริงๆในอบทย่อยต่างๆเนาะนะนะเช่นเรานะบางคนบอกว่าเอ๊การสร้างอยกวะเนี่ยมันถูกต้องไหม มันมันมีใน <c oughs> มีในพระไตรปิฎกไหมนะหลวงพ่อเทีนบอกว่าเขาเขาไม่ได้เขียนไว้ก็ไม่มี <c oughs> แต่จริงๆแล้วเขาเขียนไว้นะก็คือการคู่แขนเหยียดแขนนี่แหละคู่แขนเหยียดแขนใช่ไหมอ่านะเรากาลังสร้งางจังหวะก็คือคู่แขนเหยียดแขนแข น, นะอันเนี้ยเพียงแต่เราลุกไปตามความจริงเป็นจริงเท่านั้นเองว่าเรากำลังสร้างสตจัขขงหวะอยู่ <c oughs> อันเนี้ยถูกต้องในตามพระไตรปิฎกเลยเพราะว่าการที่เรารู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่นั่นแหละถูกต้องแล้วเนาะ <c oughs> หรือไม่ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะ <c oughs> ทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วเราเราเราเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองนะการทําอะไรอยู่ไหมความว่าในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังรู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่อคําว่า <c oughs> คําว่าปัจจุบัน <c oughs> ปัจจุบันนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเนาะ อ่เช่นว่าเรานั่งเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าเรากําลังนั่งใช่ไหมแต่ว่าเรารู้มันอาศัยความรู้เท่างนั้นเองว่าเรากําลังนั่งอยู่ <c oughs> หรือหรือเรา <c oughs> เรายกมือสิบสี่จังหวะเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเรากําลังยกมือสิบสี่จังหวะอยู่แต่ว่ามันเป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองเนาะหรือแม้แต่เราอ่าเดินก็ไม่ต้องคิดว่าเรากําลังเดินแต่ว่านั่นคือความจริงในขณะนั้นนะ แต่ถ้าเมื่อวานนี้เราทานข้าวกับอะไรนะเราต้องใส่ความคิดเนาะหรือว่าเย็นนี่จะทำอะไรก็ต้องใส่ความคิดนะเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันขณะนะสิ่งที่เป็นอดีตหรืออนาคตนั่นต้องใส่ความคิดไปดึงกลับมานะเป็นความจำอ่าที่จะดึงกลับมาในตรงนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้เราไม่ต้องใส่ความคิดแต่เราแค่รู้เท่านั้นเองนะเพราะนั้นการที่เรารู้เนี่ยมันจึงตรงข้ากับคิดเนาะ คิดก็คือความคิดแต่รู้มันก็คือความรู้มันมันเป็นคนละตัวกันนะเพราะเมื่อตามใดที่เราคิดเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเรารู้เราก็ไม่คิดนะเพราะนั้นวิธีการก็คือเรากลับมารู้ในปัจจุบันเท่านั้นเองเราก็สามารถที่จะตัดความคิดได้นะเพราะนั้นหลวงพ่อเทียนจึงบอกว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนี่แหละคือการรู้ปัจจุบันเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับบาจุบันจริงๆแล้วเราก็สามารถเห็นความคิดได้นั่นเองเพราะจากการที่เราอาศัยการเคลื่อนไหวต่างๆนะเช่นยกมือสร้างยังวัดการเดินจงกรมต่างๆเ่าเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเราอยู่กับฐานกายนะอันนี้เป็นการถูกต้องตามพระไตรปิฎกนะในในหมวดกายานุปัสนาสติปัฏฐานเลยอย่างที่บอกแล้วว่าเดินก็ให้รู้ว่าเดินเนาะยกแขนคู่แขนก็ให้รู้ว่าทําสิ่งเหล่านั้นนะ น, นี่คืออิบทที่ว่าเราสามารถทําได้ถูกต้อง แล้วก็เพียงแต่ว่าเรากลับมารู้ว่าปฏิบัตินี้เรากาลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะครั้นเนี้ยนอกจากนี้ในที่ว่ารูปแบบในการปฏิบัติแล้วท่านก็ให้เรารู้ในกิจวัตรประจําวันครั้นีนะ้รู้ตอนไหนนะพระอาจารย์ปริศนานเคยไปอยู่กับหลวงพะเทียน <c oughs> ตอนที่ท่านปฏิบัติทำใหม่ๆนะถามว่าะจะบัดเวลาไหนบ้างครับหลวงพะเทียนก็บอกว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้าน อ, นอนเลยนะครั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นประเด็นสําคัญซึ่งมาตรงกับที่เราสวดอนเมื่อกี้นี่ว่าก็คือให้เรารู้ในบททั้ง4ี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็บทย่อยต่างๆรู้ทั้งวันนะตรงนี้เป็นสิ่งว่าถ้าเราสามารถทําได้นะก็คือทั้งตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มีการล้างหน้าแปรงฟันพับผ้าห่ม อ, อาบน้ําต่างๆเราเนี่ยบุจจละปัสสวะเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้มันก็จะเรียก ว, ว่าต่อเนื่องกันทั้งวันได้แล้วไม่ใช่ว่าเวลานี้คือเวลาไปบัติธรรม เวลานั้นคือเวลาพักอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเราจะไปนําไปใช้ในชุจามจังบาลเราเนี่ยได้ไม่ได้เต็มที่เพราะการมาอยู่วัดนี่ก็คือเรามาฝึกตรงเนี้ยฝึกทําในเวลาที่เรามีเวลาว่างในสี่ห้าวันนี้ <c oughs> เสร็จแล้วทํำยังไงนะก็คือนําตรงเนี้ยไปต่อยอดต่อที่บ้านนะแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะมาแค่เดินจงกรมแล้วก็มาสร้างองค์บางบในรูปแบบทั้นั้นเองอเราก็ไม่ได้พัฒนาที่เรียกว่า รู้ต่อเนื่องกันทั้งวันนะในอีบทต่างๆหรือว่าในชีวิตประจาวันเช่นกวาดบ้านถูบ้านแปง่งฟันล้างหน้าซักผ้าต่างๆนะอันนี้เราต้องปรับที่สามารถที่จะมาอยู่ในตรงนี้ได้ด้วยเ <c oughs> พราะตรงนี้หลังจากนั้นเราถ้าเรากลับบ้านไปแล้วก็คือสิ่งเราเนียเราไปต่อยอดได้อีกทีหนึ่งนะพระหลวงพเทียนก็เลยบอกว่า ให้ทำต่อเนื่องบรูคโซ่นะคำว่ า, าต่อเนื่องก็คือให้ทำทั้งวันนั่นเองนะทำทั้งวันอ่าก็คืออีบบทต่างๆนั่นแหละล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำกินข้าวต่างๆจนเข้านอนอันนี้ก็เรียกว่าต่อเนื่องอ่าแต่คำว่ า, าต่อเนื่องบางคนก็ไปเข้าใจผิดนะเดี๋ยวตีประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งต่อเนื่องบางคนก็เลยไปรู้รู้ยาวๆเลยนะเช่นอ่ายกมือซ้าง ย, ยัง่ากก็ไปรู้ยาวๆนะ รู้แบบต่อเนื่องยาวๆก็คือไปประคองตัวรู้เอาไว้ให้มันรู้ยาวๆนะอันนี้หลวงพ่อเทมบอกว่าไม่ใช่นะนี่เขาเรียกว่ารู้แบบเหล็กเส้นนะก็คือไปรู้ยาวๆก็คือไปเพ่งไว้นั่นเองหนะรือบางคนก็เดินจงกรมก็รู้ยาวๆรู้ทุกๆ ก, ก้าวเลยจิตไม่ไปไหนเลยรู้แบบประคองตัวรู้อันนี้ก็ไม่ไม่ถูกนะเพราะว่านี่เป็นการไปเพ่งไว้หลวงพ่อเทมบอกว่าวางกายากายคายวางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องนะ ตรงนี้ท่านพูดไว้ชัดเลยนะว่าไม่เพ่งไม่จ้องก็คือเราไปประคองตัวรู้นั่นแหละก็คือตัวเพ่งเนาะคราวนี้ไอ้คํำบารู้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนี่ยมันจะมีคำว่าลูกโซ่อยู่ด้วยนะลูกโซ่ก็คือเป็นข้อข้อนะโซ่มันเป็นข้อข้อก็คือรู้เป็นครั้งครั้งรู้เป็นขณะขณะรู้เป็นจุดจุดนะรู้บ่อยๆนะอันเนี้ต้องจับประเด็นให้ได้นะรู้บ่อยๆไม่ใช่รู้ยาวๆแต่รู้บ่อยๆก็คือเรารู้แล้วเราก็หลงได้หลงแล้วก็กลับมารู้ใหม่อันน่้จริงอละถูกต้องนะ แล้วก็ท่านก็ได้พูดไว้แล้ว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้เนาะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ความคิดได้บ่อยนะอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นความผิดใช่ไหม <c oughs> บาง <c oughs> บางคนก็บอกว่าเออเราอยู่บ้านไม่เห็นจะคิดอะไรเยอะเลยแต่พอมาไปบัตรที่วัดแล้วทําไมเราคิดเยอะแยะอันเนี้ยแสดงว่าเราเริ่มเห็นความคิดแล้วเนาะเพราะว่าการที่เราสามารถที่จะเห็นความคิดได้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งจิตนะที่มันไหลไปมันหลงไปนะ่ะมีความคิดนะ เราอย่าไปห้ามความคิดนะถ้าห้ามความคิดก็จะไม่ถูกเพราะหลวงพ่อหลวงพ่อเทศบอกว่าไม่ห้ามความคิดแต่ว่าถ้าบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเพราะนั่นมันไหลไปสักสิบครั้งเนี่ยถ้าเรารู้สักเจ็ดปดครั้งเนี่ยแสดงว่าจิตเราเริ่มตื่นตัวแล้วตื่นตัวในการที่จะเริ่มรู้ความคิดออันนี้มันจะเข้าสู่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการที่เรารู้เห็นความคิดได้ะการการที่เรา มาปฏิบัติธรรมในแนว เ, เจริญสตินี้ต้องจับประเด็นว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบ <c oughs> เพื่อให้ให้จิตเขารู้นานๆนะให้จิตเขานิ่งๆเงียบๆอันนั้นไม่ใช่ <c oughs> แต่ประเด็นก็คือให้ให้จิตเนี่ยตื่นรู้จิตเนี่ยตื่นรู้ขึ้นมาในแต่ละขณะแต่ละขณะ ครั้นี้ถ้าจิตตื่นรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นนะแล้วก็จิตจะลืมรู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะถ้าเราปฏิบัติไปแล้วนะจิตมันซึมซึมนะจิตมันแข็งแข็งจิตมันทื่อทจิตครียดเครียดจิตงงๆหรือปวดหัวอันนั้นแสดงเราเราว่าเราปฏิบัติไปไปเพ่งเอาไว้นะไปกดจิตเอาไว้ไปข่มจิตให้เขารู้นานๆ ประคองตัวรู้อันนี้ก็จะเกิดปวดหัวขึ้นมานะแต่ถ้าเราทําถูกต้องแล้วจะรู้สึกว่าจิตนะโล่งโปรง่งเบาสบายนะจิตมีความตื่นตัว <c oughs> จิตก็นุ่มนะวันนะอันเนี้ยตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าจิตมันต้องมีความสบายด้วยแล้วก็จิตก็ต้องตื่นรู้ด้วยนะจิตเนี้ยเป็นผู้ตื่นผู้รู้ขึ้นมาเพราะการที่เราเห็นความคิดครั้งหนึ่งเนี้ยจิตมันจะตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งนะถ้าจิตมันตื่นรู้ได้แล้วเราจะรู้ว่าเออตอนนี้จิตเราตั้งมั่นแล้วนะ จิตตั้งมั่นแล้วมันก็จะไปเดินวิปัสสนาต่อมันก็จะเห็นกายเป็นกายไม่ใช่ตัวเรานะเห็นความคิดเป็นแค่นามนะก็คือเห็นความคิดมันทํางานเองเห็นกายเขาทํางานเองเราก็เป็นผู้ดูเท่านั้นเองเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะอันนี้ก็ต้องหลังจากที่จิตเขาตื่นรู้ได้แล้วนะก็จะเห็นในตรงนี้ชัดเจนเราไม่ได้ไปคิดเต้าไม่ได้เป็นการไปบัติเป็นความคิดนะว่าเราไปจิตตื่นรู้เราไปเห็นกายเห็นกายเองเห็นความคิดเนอันนันอันนั้นไม่ใช่ อันนเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ถ้าจิตเขาตื่นรู้ได้แล้วจิตก็ตื่นรู้ <c oughs> ตื่นรู้ได้แล้วเขาก็จะเห็นกายทำงานเองเห็นใจทำงานเองนะมันก็จะเป็นการเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นมัติดลักต่อไปได้อย่างชัดเจนนะเพราะนั้นประเด็นประเด็นแรกก็คือให้เราอยู่ที่ฐานกายก่อนนะรู้การขึ้นไหวต่างๆนะในบททั้งสนีะ่แล้วก็ในรูปแบบเดินจงกรมนะแล้วก็ สร้างยังหวะในตรงเนี้กลับมาอยู่ที่ฐานกายให้ได้ให้ได้ก่อนนะฐานกายนี่เขาเปลี่ยนเหมือนกับว่าเป็นเป็นเสาเข็มนะถ้าเรามีเสาเข็มที่ดีแล้วนะเราก็สามารถที่จะต่อยอดนะเป็นตึกที่สูงได้นะเพราะเราเมื่อเราอยู่ฐานกายนะครูบาอาจารย์บอกว่าดูกายเห็นจิตน ะ, ะเมื่อเราอยู่ฐานกายเราก็จะเห็นจิตนะเราไม่ได้ไปตั้งใจที่ไปดูจิตแต่อย่างใดเนาะ เพราะว่าการที่เราดูจิตได้นะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเราดูไม่เป็นเราก็จะไปเพง่งไปคอยจ้องจิตไปคอยดูความคิดดูลมต่างๆจิตก็จะนิ่งก็จะแข็งก็จะซึมก็จะทื่อไปแต่ถ้าเรามาสังเกตกายรู้กายได้เนี่ยอเราก็จะเห็นจิตได้นะเพราะว่าการกายกับจิตเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันนั่นเองอมันก็เหรียญสองหน้านะเราอเหรียญจะมีหัวแล้วก้อยใช่ไหมเราดูกายเราก็จะเห็นใจได้ด้วย ครั้นี้เมื่อเราอยู่กับฐานกายอย่างถูกต้องแล้วก็คือไม่ไปเพ่งไม่จ้องรู้แบบสบายๆไม่ไปประคองตัวรู้ <c oughs> เราก็สามารถเห็นความคิดนะเห็นความคิดแวบไปแวบมาเนี่ยตรงนี้มันจะตรงเทลงเทียมว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเ <c oughs> พราะเมื่อเราเห็นความคิดปั๊บเนี่ยบางคนก็ไปคิดต่อนะตอนนี้ที่บ้านกาลังทำอะไรอยู่เนาะกลับไปรถจะติดไหม ก็ไปช่วยเขาคิดต่อนะคิดไปยาวๆเลยทั้งนี้เราเข้าไปในความคิดแล้วแต่เมื่อเราเห็นความคิดปั๊บนะการนี้เราเห็นความคิดปั๊บเนี่ยพอเราเห็นปั๊บมันจะตัดดับทันทีเลยนะเพราะเราไม่เข้าไปในความคิดแต่ถ้าผู้ใดที่ไปคิดต่อเออจะทํายังไงต่อไปเย็นนี้จะทําอะไรนะเราก็คิดยาวๆไปเลยนะเข้าไปในความคิดแต่เมื่อเราเห็นความคิดปั๊บมันจะดับมันจะตัดทันทีเพราะเราเห็นความคิดเพราะฉนั้นเมื่อเห็นความคิดมันจึงไม่เข้าไปในความคิดอย่างที่เรามาเทียนว่า นะแต่ในขนาดเดียวกันเราก็ไม่ห้ามความคิดด้วยนะเพราะฉะนั้นมันมนังต่างกันว่าการที่เราเข้าไปในความคิดหรืออยู่ในความคิดนั้นเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราจเจริญสติแล้วเราจะเห็นความคิดนะมันจะเห็นความคิดเลยพอเห็นปั๊บมันก็จะดับได้นะแต่ครันี้ถ้าใหม่ๆนะเราไม่ดับก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วต้องดับถ้าเราเห็นแล้วต้องดับนั่นแหล ะ, สะแสดงเราไปเพง่งเอาไว้ไปจ้องอไปจัดการกับเขาครัวนี้เมื่อเราเห็นความคิดแล้ว เราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่กลับมารู้การที่เราไปวัดทำอย่างนี้แหละยืนเดินนั่งนอนหรือว่าสร้างยังหว่หรือเดินจงกรมก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะคอรู้สึกตัวอย่างนี้ได้ความคิดก็จะดับไปเหมือนกันนะก็ใส่การที่เรารู้ความคิดนี่แหละมันก็จะไปเจริญในการที่เราจะเห็นจิตตาอนุปัสสนาต่อไปนะ <c oughs> คำว่าจิตตาอนุปัสสนาก็คือใ น, ในพระไตรปิฎกบอกว่าจิตก็มีราคะก็รู้มีราคะ จิตมีโทสะก็ร uh ู้มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่มีว่ามีโมหะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตมีไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่ม um> ีโมหะก็คือรู้ตามความเป็นจริงของจิตในขณะนั Deck Deck ้นๆเนาะก็คืออย่างจิตนมีความโกรธก็รู้ว่ามีความโกรธนะไม่ได้บอกว่าจิตมีความโกรธก็ให้ไปดับความโกรธไปละความโกรธนะอันนั้นไม่ใช่ท่านแค่เรารู้เท่านั้นเองรู้ว่าขณะนี้จิตอะไรเกิดขึ้นมาในใจเรา ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเนาะเพราะนั้นเมื่อเราเห็นความคิดได้แล้วเราก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ด้วยเพราะว่าอารมณ์เกิดจากอะไรอารมณ์มันเกิดจากความคิดนั่นแหละเช่นมีใครกนะ็มาด่าเรานะมาด่าเราถ้าเรารู้เฉยๆแล้วไม่คิดอะไรเราก็จะไม่โกรธแต่ถ้าใครมาด่าเราแล้วเราก็ไปคิดนะูดา่าด่าเรานะด่าทำไมเรื่องแค่นี้ทำไมต้องมาด่าเรานะ หรือเราไม่ได้ทําผิดสักหน่อยด่าไปทําไมนะเนี่ยพอเราคิดปับ๊บมันก็จะโกรธทันทีเลยนะหรือเราขับรถนี่ใครมาปาดหน้าเรานะนะถ้าเรารู้เฉยเราก็ไม่โกรธนะเราก็ดูไปตามธรรมดานี่แหละการเมื่อปาดหน้าปุ๊บเราก็มาคิดโอ้อย่างงี้มันดูถูกกันหรือถ้าเดี๋ยวไม่เบรกก็ชนกันแล้วนะหรือขับอย่างนี้ได้ยังไงนะเราคิดปุ๊บเราก็ก็โกรธเลยนะมันก็เกิดจากความคิดทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเรารู้ทันในขณะที่เข า, าเริ่มคิดไหมใช่ไหม เพราะนั้นเมื่อเราเห็นความคิดได้เราก็สามารถเห็นความโกรธได้เหมือนกันนะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะคือทุกขล้มเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดจากความคิดทางนั้นเลยแล้วเรารู้ไม่ทันมันก็ไปปรุงแต่งต่อเนาะแต่ถ้าเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นปั๊บเรารู้ทันปุ๊บมันจะดับทันทีแนละ้วมันจะหยุดนะจะเบรกได้ทันทีเลยเป็นการตัดช่วงของปฏิจจสุ บ, บาท์นะมันจะไปดับในตรงนั้นได้เองเนาะเพราะฉะนั้นอ่นะ ถ้าเราสามารถที่จะเห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วเนี่ยมันจะก็จะไปตัดทุกๆกระแสของอารมณ์นะมันจะไม่ต่อเป็นอารมณ์ต่างๆเป็นความรักความไม่พอใจความเกลียดความโกรธความกลัวความหึงหวงความบิดาชามันก็ตัดได้หมดเนาะเขามันมันตัดที่หัวของมันอ่ะเปรียบเสมือนกับความโกรธเป็นเลขห้าเนาะอ่ะก่อนจะถึงเลขห้าไม่ต้องพันหนึ่งสองสามสี่ก่อนนะก็คือมันต้องอ่ะเห็นความคิดอ่ะเห็นความคิดเห็นความหงุหงงอ่ะ ความขัดเคืองความไม่พอใจต่างๆอันนี้ก็คือเลข1นึ่ถ้าเราเห็นเลขเลขหหรือเลข2องปั๊บมันจะตัดมันก็ไม่เข้าถึงเลขหนะ้าะก็มันก็ไม่เข้าสูมม่ลมต่างๆก็คือทุกๆลมมันคือเลข5ทั้งหมดนะแต่เราสามารถที่จะเห็นเลข1 2ึสาได้ของทุกๆรมได้ถ้าเรามีสติเพียงพอเนาะประเด็นเราเนี่ยก็คือประเด็นในการที่เราสามารถที่จะปฏิบัติธรได้ไม่ยากนะคือสิ่งเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นกับเราทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เห็นกระบวนการของเขาไม่เห็นวิธีการที่เราจะไปดู อ, อย่างไร ไม่เห็นวิธีการที่เรียกว่าเราจะไปทําอย่างไรให้เขาอ่าน้อยลงให้เขาดับลงนะเพราะฉนั้นเมื่อเราเห็นตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าใจเราเนี่ยเริ่มจะความทุกข์ก็เริ่มจะน้อยลงนะจากการที่เมื่อก่อนเราเป็นคนโกรธเก่งเป็นคนนิสัยไม่ดีต่างๆขี้บน่นขี้น้อยใจนะเป็นคนคิดมาก <c oughs> เข้าไปในความคิดมีความทุกข์จากความคิดเยอะแยะเลยเรื่องเก่าๆผ่านมาห้าปีสิปีก็ไปลื้อคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปจมในความทุกข์เหล่านั้น ตรงนี้มันจะหายหมดเลยนะคนที่มีความทุกข์เก่าๆถ้าเข้ามาสู่ตรงนี้ได้ตรงนั้นน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกมันจะหายไปหมดเพราะฉะนั้นความทุกข์มันจะดับไปครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลืออีกครึ่งนึงก็คือปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ไหมถ้าเรารู้กําลังทําอะไรอยู่แล้วเราอยู่ปัจจุบันไปเรื่อยๆเนี่ยความทุกข์ก็เกือบจะหมดไปแล้วเนาะเพราะฉนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละมันเป็นคนทายความ้นทุกข์ได้ แล้วก็หลังจากที่อาจิตเขาสามารถเห็นกิเลสต่างๆได้บ่อยกิเลสมันจะค่อยๆน้อยลงค่อยๆฟอลงในที่สุดเขาก็จะหมดไปนะมันที่หลวงพ่อคำเขียนก็คือยกตัวอย่างบอกว่าเข้าสารนะอเข้าสารนี่แหละหรือเข้าเปลือกนี่แหละอ่าถ้าเก็บเอาไว้สามปีแล้วเนี่ยมันจะหมดเชื้อไงมันก็ไปปลูกใหม่หรือไปหวานลงดินมันก็ไม่ไม่ไมโตขึ้นมาเป็นต้นข่าอีกครั้งหนึ่งฉัน้นใดจิตเราที่เรารู้ทันกิเลสบ่อยๆนะ ในที่สุดเขาก็จะค่อยๆฟอเขาจะน้อยลงเขาก็จะค่อยๆหมดไปนะตรงนี้เราก็เมือ่อจิตเรากินเหลือเราหมดสิ้นไปแล้วการนี้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดมันก็หมดไปด้วยเนาะอันนี้ก็คือความพุทธทุกอย่างแท้จริงนะแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเราไปบัตรเพื่อชาตินี้ชาติเดียวให้เราบุทธุกนะแต่หมายความว่าตรงสารที่มันยาวไกลมันก็คอยดับไปด้วยนะนี่ก็คือขนทางแห่งความพุททุกที่เราทุกคนชาวพุทธที่เราเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งในครั้งนี้ที่เราเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละเราต้องอาศัยตรงนี้ที่ว่า Uh huh. ตรงนี้ก็คือเหมือนกับน้ําขึ้นให้รีบตักเนาะการเกิดมนุษย์เนี่ยเหมือนกับน้ำมันขึ้นให้รีบตักก็คือเราน้ําขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขึ้นทุกครั้งเ uh huh. มื่อน้ํำ ม, มันขึ้นแล้วนะเราก็ต้องรีบตักถ้าเราไม่ตักในการที่น้ําขึ้นในสุดน้ําก็จะผ่านไปเมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็เหมือนกับตรงเนี้ยเรามีโอกาสาแล้วที่จะปฏิบัต <Z> ิธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้นะแต่ถ้าเราไม่เร่งปฏิบัติธรรมไม่ทําในตรงนี้แล้วเราไปทําอย่างอื่นนะมันก็จะหมดไปน้ําก็จะลงเราก็ไม่มีน้ำจะให้ตัก เนาะตรงนี้ก็เป็นเสียไปชาติ1นึฟรีๆนะเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็คือให้เรามีความเพียรอยู่ทุกๆขณะทุ ก, ท, กทุกจิตนะทุกๆเวลาที่เราทําได้เนาะแต่ก็ไม่ต้องไปค้ำเคร่งที่ต้องทําตลอดเวลาแต่ว่าให้ทําบ่อยๆให้รู้บ่อยๆนะนะเมื่อเราทําตรงนี้ได้แล้วเราก็กลับไปในที่จําวันกลับไปทางโลกแล้วก็สามารถทำตรงนี้ได้บ่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องคอยจังหวะว่าวันสงกรานวันปีใหม่ค่อยมาวัด หมายความว่าวัดนี่แหละอยู่ในใจของเราเนะเพราะเราสามารถทําบ้านให้เป็นวัดได้ตราบใดที่มีการปฏิธรรมที่ไหนก็แล้วแต่ที่นั่นแหละคือวัดของเราแล้ววัดตรงนี้นี่แหละก็วัดใจของเราไปสู่พรนิพพานได้เนาะเพราะว่าวัดนั้นอยู่ในใจเราพระนิพพานก็อยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราทําใจให้เป็นวัดได้พระนิพพานก็จะปรากฏในใจเราได้ทันทีทันใดเนาะเพราะฉนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตาไตรน้อมน้อมทุกท่านเจริญด้วยศีล สติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความค้นทุกได้เลยๆพันทุกทังเทิน